สังคาทิเศษศึกขาบทที่สเพราะภิกษุณีเข้าไปสู่ละแวกบ้านรูปเดียวต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. กํากำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่บริเวณรัว้วต้องอาบัตถุลัดใจ 3. ย่างเท้าก้าวที่สอง ต้องอาบัตสังคาทิเศษ